ธรรมบทแปลเรื่องที่25ภาคที่สองเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงรารอบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้ตรัสพระธรรมเทศนานิว่าทุนิขะหานสะละหุโนยะทะกามนิปาติโน สิตัสสะธรรมโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวังแปลว่าการฝึกจิตอันกลมได้ยากที่เป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปแนอารมณ์ตามความใคร่เป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ความพิสดารมีว่าได้มีบ้านตำบลหนึ่ง ที่อยู่กันอย่างหนานแน่นชื่อว่าหมู่บ้านมาติกคาคมใกล้เชิงเขาในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งภิกษุ ป, ประมาณ60รูปทูลรัตนาให้ตรัสบอกพระกรรมฐานจนถึงพระาราหัตในสำนักของพระศาสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบินาบาต ลำดับนั้นหัวหน้าของหมู่บ้านที่ชื่อว่ามาติกะมานดาของหัวหน้าหมู่บ้านนั้นได้เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงนิมนต์ให้นั่งในเรือนถวายคืออังคาดด้วยข้าวยากูและอาหารอันมีรสเลิศต่างๆแล้วถามว่าพระคุณเจ้าท่านทั้งหลายประสงค์จะไปณที่ไหนเจ้าข้าภิกษุเหล่านั้นตอบว่า อัตมาภาพมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะรอยจะแสแบงหาสถานที่สำหรับจำพรรษาจึงหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในที่นี้ตลอด3ามเดือนนี้ไซดิฉันจะรับสารณะทั้งสาม และรักษาศีล5และทาอุโบสดกรรมดัง น, น, นี้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าก็เราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้จะไม่มีความลำบากด้วยเรื่องอาหารจะสามารถทำการสลัดออกจากพบได้ดัง น, น, นี้แล้วจึงรับคำนิมนต์นางได้ชมระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น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 ผู้ยางชนประชนอยู่จึงได้มาที่นี่ก็ธรรมดาพระพุทธชาตาทั้งหลายอันใครใผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปรานได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทพวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่ง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 ในถ้ำกลางวิหารขึ้นแล้วพวกเราก็จกมาตามสัญญาแห่งระฆังแล้วทำยาให้กับภิกษุผู้นั้นดังนี้ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกากันอย่างนี้อยู่วันหนึ่งอุบาสิกานั้นได้ให้บุคคลถือเภสัช ท, ทั้งหลายมีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นผู้อันชนทั้งหลาย มีทาดและกรรมกรเป็นต้นแวดล้อมแล้วเดินไปสู่วิหารนั้นในเวลาเย็นไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในท่ามกลางวิหารแล้วจึงถามพวกบรุรตษว่าก็พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปเสียณะที่ไหนหนอแลก็เมื่อพวกเขาตอบว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางคืน และพักกลางวันของตนของตนเท่านั้นนางจึงกล่าวว่าฉันทําอย่างไรเล่าเนอจึงจะสามารถพบพระผู้เป็นเจ้าได้ลา ด, ดับนั้นมนุษย์ทั้งหลายนั้นรู้กติกาวัดของภิกษุสงฆ์จึงบอกกับอุบาสิกานั้นว่าคุณแม่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะมาประชุมกันในเมื่อบุคคลมาตีะระฆัง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 เดินมาจากที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งจะมีความคิดว่าชอรอยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะทําความทะเลาะวิวาทแก่กันและกันดังนี้แล้ววายภิกษุสงฆ์แล้วจึงถามว่าทั่นผู้เจริญท่านทั้งหลายทําความทะเลาะกันอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าพวกอาจมภาพหาได้ทําการทะเลาะวิวาทกันไหมคุบาสิกาท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านไม่มีความทลอบวิวาดกันไซดเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรพวกท่านจึงไม่มาโดยรวมกันทั้งหมดเหมือนเมื่อมาสู่เรือนของที่ฉันนี่กลับมาทีละองค์ทีละองค์จากที่แห่งหนึ่งหนึ่งอุบาสิกาพวกอัตมนั่งทำสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งแห่งหนึ่งท่านผู้เจริญก็ชื่อว่าสมณธรรมนั้นคืออะไรอุบาสิกา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 มิได้ทรงห้ามแก่ใครๆถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงให้อาการ32และขอจงบอกการเริ่มตั้งซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพแก่ที่ฉันบ้างอุบาสิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนเอาเถิดวิสุดทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้ให้เรียนเอาทั้งหมดแล้วจำเดิมแต่นั้นอุบาสิกานั้น ก็ได้ทำการสาธยายซึ่งอาการ32เริ่มตั้งไว้ซึ่งความสิ้นและความเสื่อมไปในตนได้บรรลุมรก3ผลสก้อนภิษุเหล่านั้นทีเดียวและมีปฏิสัมพิทาสีและโลกียะอภิญญาก็ได้เกิดขึ้นแก่อุบาสิกานั้นด้วยมรคนั่นแหละ นอกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วได้ตรวจดูด้วยทิพยยะจากสุขใคร่ครวญอยู่บ่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราบรลุธรรมนี้ในการไหนหน้อแลและได้พิจรารณาทราบว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ยังมีราคะโทสะโมหะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยังมิได้กุณธรรมแม้สักวาฌานและวิปัสสนาเลย จึงทำการใคร่ครวญต่อไปว่าก็อุปนิสัยแห่งพระรหันต์ของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่หนอก็เห็นว่ามีอยู่ดังนี้แล้วจึงพิจารณาว่าเสนาสะนะอันเป็นที่สบายจะมีหรือไม่หนอเห็นแม้เสนาสะนะเป็นที่สบายแล้วจึงพิจารณาว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรา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 ของกบเคี้ยวเป็นเอกประการและโภชนะมีรถต่างๆอันเลิศแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้นั่งแล้วจึงถวายน้ำทักษีโนโทกคือน้ำเพื่อทักษีนาแล้วมอบถวายด้วยคำว่าท่านผู้เจริญพวกท่านชอบใจสิ่งใดๆขอจงรับเอาสิ่งนั้นๆรับประทานเถิดภิกษุเหล่านั้น รับเอาวัตถุทั้งหลายมีข้าวอยากกูเป็นต้นแล้วบริโภคตามความชอบใจเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารอันเป็นที่สบายจิตก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดีย ว, แ น, วแน่วแน่พวกเธอมีจิตแน่วแน่เจริญวิปัสนาต่อการไม่หนาแนกก็ได้บรรลุพระรหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วคิดว่า โอ้มาอุบาสิกานี้เป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วใช้การแทงตลอดมรรคและผลคงจะไม่ได้มีแก่พวกเราเป็นแน่บนัดนี้พวกเราอยู่จําพรรษาประวารินาแล้วจะไปสู่สำนักของพระศาสดาหนังนี้พวกภิกษุจึงอำลามาอุบาสิกาด้วยคําว่า พวกอัตมาใกรเช่าเฝ้าพระศ า, าสดามาอุบาสิกากล่าวว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วได้ตามไปทรงภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวกันมันเป็นที่รักเป็นอนมากเช่นว่าขอท่านทั้งหลายพึงมาเยี่ยมดิฉันแม้อีกเถิดดังนี้เป็นต้นแล้วก็จึงกลับไ่ายภิกษุเหล่านั้นแหลถึงกรุงสาวิตรีแล้ว วายบังคมพระศาสดานั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสรีระยนมีจักสมีตะบาน9อันพวกเธอพออดทนได้รหรือพวกเธอยังพออัตภาพให้เป็นไปได้อกหรืออันหนึ่งพวกเธอไม่ลำบากด้วยบินทบานรหรือภิกษุเหล่นั้นจึงกราบทูลว่า พวกข้ารพราะองค์พออดทุนได้พระชจ้าพ อ, อยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระชจ้าขหนึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ลำบากด้วยการบินดาบเลยเพราะว่าอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อมาติกะมาตาทราบวาร จ, จิตของพวกข้าพระองค์เมื่อพวกข้าพระองค์คิดว่าจะไหนเนามหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นป่านนี้แก่พวกเรา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 อุบาสิกานี้จะพึงทำน้ำดื่มละลายน้ำตาลกรวดส่งมาให้เราอุบาสิกาก็ได้ส่งน้ำนั้นไปให้ภิกษุนั้นก็มีความคิดเห็ว่าขออุบาสิกาจงส่งข้าวยาคูคือข้าวต้มมีรสเลิศและแกงออมมาเพื่อเราในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่เถิดอุบาสิกาก็ได้ทำอย่างนั้น ภิกษุนั้นเดื่มข้าวยากูแล้วคิดว่าฉนัยเนออุบาสิกาพึงส่งของขอบเคี้ยวเห็นป่านนี้มาเพื่อเราอุบาสิกาก็ได้ส่งของขอบเคี้ยวแม้เห็นป่านนั้นไปให้แล้วภิกษุนั้นมีความคิดว่าอุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราคิดแล้วคิดแล้วทุกๆสิ่งมาให้เราอยากจะพบอุบาสิกานั่นฉนัยเนอ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 อุบาสิกาท่านทราบจิตของคนอื่นอย่างนั้นหรือท่านถามฉันทาไมท่านผู้เจริญก็ท่านได้ทำทุกๆอย่างที่อาตมาคิดแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาจึงถามท่านท่านผู้เจริญพิสุจที่รู้จิตของคนอื่นก็มีมากอุบาสิกาอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาเฉพาะเจาะจงถามถึงตัวท่านแม้เมื่อเป็นอย่างนั้น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 อุบาสิกาอาตมาจะไม่อยู่ที่นี่จะต้องไปอย่างแน่นอนภิกษุนั้นจึงได้ออกเดินทางจากที่นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาลาดั บ, บ, บนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าภิกษุเธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือข้าถ้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้เพราะเหตุอะไรเล่าภิกษุ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 พร้อมทั้งของกลางฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้มาพระชจ้าาภิกษุเธอควรอยู่ในที่นั้นละ่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถข้าพระองค์จะอยู่ในที่นั้นไม่ได้พระชจ้าาภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจะรักษาสักสิ่งหนึ่งเท่านั้นได้ไหมเนอะรักษาอะไรพระชจ่าาภิกษุ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 กามะนิปาติโนจิตต ส, สะธรรมโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังความว่าการฝึกจิตอันกลมได้ยากจิตเป็นธรรมชาติเร็วมาตกไปในอารมณ์ตามความใกล้การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้ดังนี้ ในข้อความนั้นบัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ในพระคาถานั้นอย่างนี้ว่าธรรมดาจิตนี้อันบุคคลคมได้โดยยากประเหตุนั้นจึงชื่อว่าคมได้ยากจิตนี้ย่อมเกิดและดับเร็วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติเร็วซึ่งจิตนั้นอันกมได้ยากคือทุนนิขะหสะเป็นธรรมชาติเร็ว คือล ah ักหูโนก้ที่ว่ายัตถะกามนิปัติโนคือมักตกไปในอารมณ์ตามความใกล้หมายความว่ามักตกไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแหละจริงอยู่จิตนี้ย่อมไม่รู้จักฐานะอันตนควรได้หรือฐานะอันไม่ควรได้ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไม่สมควร ย่อมไม่พิจารณาดูชาติไม่พิจารณาดูโคตรไม่พิจารณาดูวัยย่อมตกไปในอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ก็การฝึกจิตเห็นปานนี้นั้นเป็นการดีคือความที่จิตอันบุคคลฝึกฝนด้วยอริยมรรคสี่ ได้แก่ความที่จิตอันบุคคลทำได้โดยประการที่จิตสิ้นพะยะ์ได้เป็นการดีข้อนั้นพระเหตุไรเล่าเพราะว่าจิตนี้อันบุคคลฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมาให้คือว่าจิตที่บุคคลฝึกแล้วได้แก่ทำให้สิ้นพะยะ์ย่อมนํามาซึ่งความสุขนันเกิดแต่มรรคผลและสุข คือปรนิพานอันเป็นปรมัติต์ในการจบเทศนาภิกษุที่มาประชุมกันเป็ น, น, นมากในที่นั้นได้เป็นอริยะบุคคลมีโสดาปัติผลเป็นต้นเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้วตอนภิกษุนั้นกลับไปสู่บ้านมาติกาคามอีกประสาสดาครั้นประธานโอวาทนี้ แกภิกษุนั้นแล้วจึงส่งไปด้วยพระตํหรัดว่าไปเถิดภิกษุเธออย่าคิดอะไรอะไรอย่างอื่นจงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละนั น, นี้แล้วภิกษุนั้นได้พระว่าจากสํานักของพระศาสดาแล้วจึงได้ไปอยู่ในที่หมู่บ้านมาติกาขามนั้นไม่ได้คิดอะไรอะไรที่ชวนให้คิดไปนอกเลย ไฟมหาอุบาสิกาเมื่อตรวจดู ด, ด้วยทิพะยะจักษุก็เห็นพระภิกษุรูปนั้นกำหนดรู้ด้วยญาณของตอนนั่นแหลว่าบัดนี้ภิกษุผู้นี้ของเราได้อาจารย์ให้โอวาดแล้วจึงกลับมาอีกแล้วได้จัดแจงอาหารอันเป็นที่สบายถาวายแก่ภิกษุรูปนั้น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 มหาอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในก่ อ, อัตภาพนี้หรือไม่ก็เมื่อเราต้องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมหาอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งในอัตภาพอื่นของเราหรือไม่หนาแลวิสุทนั้นจึงตามระลึกไปตลอด99อัตภาพใน99อัตภาพนั้นนา่งอุบาสิกานั้น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 หาอุบาสิกานี้ได้ทำกำหนักมาแล้วฝ่ายมหาอุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองพรางใคร่กรวนว่ากิจแห่งบัพชิตของภิกษุผู้นี้ถึงที่สุดแล้วหรือหนาก็ได้ทราบว่าพระเถระนั้นบรรลุพระราหัตแล้วจึงใคร่กรวนให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็ทราบว่าภิกษุรูปนี้ บรรลุพระอรหันต์แล้วน่าปลื้มใจจริงจึงใครครวนให้ยิ่งขึ้นไปก็ทราบความที่ภิกษุนั้นได้บรรลุพระอรหันต์ก็ได้ทราบความที่ภิกษุนี้มีความคิดว่าอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างสำคัญและทราบความที่ภิกษุนี้ได้ใครครวนต่อไปอีกว่าอดีตการอุบาสิกา ได้เกิดเป็นที่พึ่งของเราหรือไม่หนอและตามระลึกไปตลอด99อัตภาพแต่เราแลได้คบคิดกับชายเหล่าอื่นลงพระเทระนั้นเสียจากชีวิตในอัตภาพที่99พระเทระนี้แลเห็นโทษมีประมาณเท่านี้ของเราแล้วคิดว่าน่าสังเวชจริงอุบาสิกาได้ทำกรรมหนักแล้ว นางจึงใกรกรวนต่อไปว่าพวกเราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเราไม่ได้เคยทำอุปการะแก่พิกษุรูปนี้เลยหรือหนาได้ระลึกถึงอัตภาพครบที่100อันยิ่งกว่าเ9้าอัตภาพนั้นก็ทราบว่าในอัตภาพครบ100เราเป็นบาทปริจาริกาคือปรยาของพิกษุรูปนั้น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 ด้วยโสตาทาต์อันเป็นทิพย์ระลึกถึงอัตภาพครบที่100รให้วิเศษขึ้นแล้วเห็นอุบาสิกานั้นได้ให้ชีวิตแก่ตนในอัตภาพนั้นจึงมีความคิดขึ้นว่าน่าดีใจอุบาสิกานี้ได้เคยทำอุปการะแก่เราดังนี้แล้วก็มีใจเบิกบานกล่าวปัญหาในมรสีผลสี ในที่นั้นนั่นเองแกอุบาสิกาในการต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ปดินิพานแล้วด้วยอนุปาที่เสสะนิพพานธาตุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง